เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพลอยและคุณทีที่เป็นแฟนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมปลายจนตอนนี้เรียนมหาลัยปีสแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดที่อมเภออรั ญ, ญประเทศทั้งคููเราว่าวันนึงในขณนะที่ทีขับรถมาส่งพลอยกลับบ้านหลังเลิกเรียนก่อนพลอยจะลงรถแม่พลอยก็วิ่งหอบข้าวหอบของเต็มมือพร้อมจุงน้องพูน้องชายของพลอยมาด้วยแม่ของพลอยบอกว่า ป้านาเพื่อนแม่ป่วยแต่แม่ไม่ว่างเลยงานยุ่งมากฝากแกไปเยี่ยมแทนหน่อยนะเอาน้องภูไปด้วยพวก ป, ป้าบนคิดถึงจะแยกยังไม่ทันตกปากรับคําแม่ก็พาน้องภูขึ้นไปนั่งหลังฝั่งคนขับพร้อมจัดของฝากใส่ท้ายรถให้เรียบร้อยแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปพลอยกับทีมองหน้ากันแล้วหันมามองน้องภูอย่างเซ็งๆเพราะทางไปบ้านป้านานั้นไม่ไกลแต่เปลี่ยว และคดเขียวมากน้องภูอายุแค่สามขวบพูดยังไม่ชัดเท่าไรเป็นเด็กช่างพูดช่างถามจงกุยถามนู่นนี่ไปตลอดทางจนทีต้องบอกให้เงียบเพราะต้องใช้สมาธิในการขับรถตอนนั้นถนนเริ่มมืดแล้วไฟสองทางก็มีบ้างไม่มีบ้างที่ขับรถไปตามปกติจนมาถึงทางสามแยกที่มีป้ายโปรดระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยอครั้งบ้านปนาัาต้องเลี้ยวขวา ทีจึงมองรถทางซ้ายในตาเหลือไปเห็นเครื่องเส้นที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเต็มไปหมดเลยพลอยกับน้องผูก็พากันชะเง้อมองด้วยก่อนที่รถจะผ่านสามแยกนั้นมาจูๆ่ๆน้องผูก็พูดขึ้นว่าพวกพี่ๆเขานั่งแย่งกินอะไรกันที่พื้นทําไมไม่กลับไปกินที่บ้านละ่ะพอได้ยินแบบนั้นทีกับพลอยก็เริ่มแปลกๆทีรีบเหยียบกันเร่งออกจากแยกนั้นมาอย่างเร็วพอเลยมาได้นิดเดียว ทีก็ดูดน้องภูน้องภูกลาวหน้าเวลาจะเจออะไรตอนมืดๆคำ่คำๆห้ามทักห้ามพูดเข้าใจไหมปลอยก็ได้แต่ปลอบน้องพอ ร, รู้ว่าตอนนี้ทีคงกําลังกลัวน้องภูเลยถามปลอยว่าทําไมไม่ให้หนูทักพี่พวกนั้นหนูทําผิดอะไรปลอยก็ใจแป้วถามกลับไปเสียงสั่นๆ น, น้องภูเห็นพี่ๆไหนหรอน้องภูตอบกลับมาเสียงดังว่าก็พวกพี่ๆตัวสกปรกที่นั่งแย่งกินอะไรอยู่ที่พื้น ที่ทางแยกไงพี่พลอยไม่เห็นเหรอคราวนี้ที่หยับเบรกกระทันหันพร้อมหันหน้ามาหาพลอยเราทั้งสองคนตอนนี้ชุ่มไปด้วยเหงือ่อทั้งที่เปิดแอร์ในรถเย็นมากพลอยบอกให้ดีขับต่อไปจะได้รีบๆไปให้ถึงสักทีและหันมาตอบน้องภูพี่คงไม่ทันมองละมั้งเลยไม่เห็นแล้วทาไมห้ามทักละ่ะน้องภูวกมาคําถามเดิมพลอยเลยบอกว่า เราอยู่ในรถทักไปพวกเขาก็ไม่ได้ยินเราหรอกเมื่อกี้น้องผูพูดเบาจะตายน้องผูตอบกลับมาว่าทําไมจะไม่ได้ยินพอหนูพูดปุ๊บพวกพีเขาก็หันมามองหนูปั๊บพลอยกับทีใจเสียแล้วนั่งเงียบกันไปสักพักจนทีบอกว่ารถเป็นอะไรไม่รู้มันหนักๆเด้งไม่ค่อยขึ้นของท้ายรถก็ไม่ได้มีเยอะพลอยก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุ เลยได้แต่บอกให้เร่งเครื่องเร็วใกล้ถึงแล้วส่วนน้องภูก็บ่นว่าอึดอัดเหมือนมีคนมาเบียดพูดซ้ำไปซ้ำมาจนใกล้จะถึงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดเลยทีแม่บอกว่าป้านามาพักอยู่กับพี่สาวที่บ้านใกล้ๆกับวัดนะ่ะพอขับเข้าซอยหน้าวัดยู่ๆหมาแถวนั้นก็พร้อมใจกันเห่าหอนอย่างดังจนน่ากลัวและก็น่าแปลกที่คนแถวนั้นมาเห็นรถทีบ้างก็ร้องอุทาน บางก็วิ่งหนีเข้าบ้านจนเข้ามาถึงหน้าวัดก็เจอกับลุงอําซับเปเลยเก่าแก่ที่พลอยรู้จักตั้งแต่เด็กทีชิดรถเข้าไปหาแกพอแกหันมาก็หน้าเวอร์จนพลอยก็งงลุงอําพลอยเองจําได้ไหมนี่ทีแฟนพลอยค่ะวันนี้น้องภูก็มาด้วยนะแม่เขาฝากมาเยี่ยมป้านานะลุงรู้จักบ้านพี่สาป้านาไหมพลอยรีบทักไปเป็นชุด แต่ลุงอ่ำกลับบอกว่าพวกเองเอารถไปจอดในวัดใกล้กรุดหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เลยแล้วข้าจะพาไปหายายนาเอทีก็งงเลยถามลุงว่าทําไมต้องจอดในวัดด้วยล่ะครับลุงผมกลัวรถหายแต่ลุงอ่าก็ยังพูดแกมบังครับให้ไปจอดที่วัดให้ได้ทีให้พลอยกับน้องภูลงก่อนแล้วรีบขับรถเข้าไปจอดในวัดลุงอ่าก็เดินพาพวกเราไปบ้านปนาพอเยี่ยมเสร็จพี่สาวของพนา ก็ขอให้อยู่นอนค้างคืนหนึ่งเพราะมืดแล้วมันอันตรายพลอยปฏิเสธเพราะเกงใจแต่ทีบอกว่าก็ได้ครับเพราะกลัวทางมืดสรุปทั้งสามคนก็นอนค้างบ้านพี่สาวของพนาคืนหนึง่งรุ่งเช้ามาลุงอ่ำก็วิ่งมาเรียกทีไปที่วัดบอกมีเรื่องใหญ่เพราะทีกับพลอยไปถึงวัดมองไปเจอรถตัวเองก็ตกใจถึงคราบเลือดลอยมือเศษใบไม้ ติดตามรถเต็มไปหมดชาวบ้านก็พากันมามุงแล้วก็พูดพูดพูดจนจับใจความไม่ได้จนหลวงพ่อต้องออกมาเอาละเอาละเงียบๆได้แล้วอาตมาจะคุยกับโยมพลอยโยมทีเขาเองที่ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถลุงหงําก็ถามว่าอา้าวเมื่อคืนพวกเองไม่เห็นรอยพวกนี้เหรอข้ากับชาวบ้านเห็นตั้งแต่เมื่อคืนที่เองขับเข้ามาแล้วหลวงพ่อจึงถามว่าโยมได้ไปทาสิ่งไม่ดี ท้าทายหรือไปพูดจาล่วงเกินสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างหรือเปล่าพลอยกับทีมองหน้ากันก่อนตอบว่าระหว่างทางมานี้เราผ่านสามแยกมาและนุองภูก็ทักว่าเห็นคนนั่งแย่งกินข้าวที่พื้นนุองภูบอกว่าพวกเขาหันมามองหน้าเราด้วยแต่พลอยกับทีก็ยังไม่เห็นเราเห็นได้เครื่องเส้นไหวเท่านั้นพูดจบชาวบ้านก็ร้องว่าอ๋อว่าแล้วเชียวหลวงพ่อจึงเล่าสิ่งที่เห็นให้ฟัง เมื่อคือนนาตมาเห็นทั้งวิญญาณทั้งผีเร่ร่อนผีตายโหงหลายตนนั่งรถเกาะรถพุกโยมมาเต็มไปหมดเลยพอเข้ามาถึงวัดพวกเขาก็หายไปเพราะได้ยินแบบนั้นและนึกถึงสิ่งที่น้องภูพูดเมื่อคืนพลอยกับทีขนลุกสู้หน้าชารีบไปลาหลวงพ่อและชาวบ้านและวิ่งไปหยิบผ้าขี้ริ้วชุบน้ำของแม่ครัววิ่งไปเช็ดรอยเลือดรอยมือจนหมด แล้วพลอยบอกทีว่าจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยทีจึงวิ่งไปขับรถไปบ้านพี่สาวปนาเพื่อเก็บของแล้วรับน้องภูกลับบ้านทันทีระหว่างทางกลับบ้านน้องภูก็ยังบ่นตลอดทางว่าอึดอัดทีก็นั่งรถเงียบกริบตลอดทางจนมาถึงสามแยกเดิมรถก็กระตุกเหมือนจะดับแต่พอผ่านสามแยกมาได้นิดเดียวก็หายเป็นปกติแถมเบาขึ้นไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนหน้าที่เหยียบคันเร่งเกือบสุดไม่ชะลอไม่เบรก จนถึงบ้านทีลงจากรถตามพลอยเข้าบ้านบอกขอพักอยู่บ้านพลอยก่อนสักพักน้องภูเรียกทีเสียงดังพิธีรอยมือครับใหญ่จังพลอยกับทีหันไปดูเป็นรอยมือห้านิ้วเปื้อนฝุ่นฝั่งประตูคนขับพอดีเป๊ะบ่ายวันนั้นพลอยทีและน้องภูพากันไปทำบุญกรวดน้ำทันที